มาดูนะครับเมื่อวานนี้หน้าสองร้อห้าสิบสามถึงก็ว่าเสือลำแพนใช่ไหมอันทวนหนึ่งครับเสือลำแพชนชึ่นใดที่หนึ่ ง, งเครื่องรากพื้นทุกประเภท น, นี่นะหนังของสัตว์ที่เป็นกับปิยะทุกชนิดมีสีห่าเป็นต้นใช่ไหมครับนะพวกเสือสัตว์ร้ายพวกนีหรือไม่แต่โค ก, กับบืออะไรเท่านั้นนะหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่กับปิยะนะ พวกสัตที่มีนังเป็นกระพยาคืออะไรเมื่อวานเนี่ยมันไมนใน่ใช่ไม่ใช่กะยา่ไหมครับพวกแก้งพว ก, กวาคคงครับเนสมมนละมัง่งแล้วกนันเนื้ฟางครับหะไรงนี่มีนันนนนงเนกะพียา<ไ>นะที่เหลือนะ่ะก็ถือว่าเป็นกระยาหมดนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับกระยาทุกชนิดทั้งหมดเป็นคุ้ปันสมควรทาให้เป็นเครื่องราชพื้เ จะมาลาดเตียงต่า ง, งไม่ได้นะเพราะว่าเป็นหนังกัปยะส่วนหนังแกะมีคติอย่างผ้าภูนอนก็คือสามารถมาปูเตียงปูต่างนอนได้นะครับแม้หนังแกะนั้นก็จัดเป็นคารุพันเหมือนกันหนังที่เป็นกัปย์ เ, เกียวกัหนังเกะบางความต้นนะครับเป็นของคนแจกกันได้นี่นะแต่ในกรุนทีนี่แก้ว่าหนังทุกชนิด มีขนาดเท่าตีนเป็นขลุพันเนี่ยหนึ่งที่ว่านี่นะครับต่อไปคราะหากระด้งหินบดลุ่งหินบดรายศิลาอ่างศรราิล า, าันดักของช่างือเป็นอาที่ทุกอย่างมีกระสวยฟืนและกันทอเป็นต้นเข้าใจเข้าใจกระสวยถูเป็น อ, toggle, อนั่นแหละอันถามโยมดิ ไอตวนี่เขาโยนใช่ไหมีเข้ารีบัหะน่ากระสวยเด็ดกระสวยกระฟืมมันเป็นยังไงืมอะไรฟืมาที่เขากระตุกอ๋อกระตุกเข้ามาหาตูนนะคืออืมกระทอเหมือนกระทอไม่คุ้หมว่ากระสวยฟืมและกระทอกระทอกระอ ก็ชอข่าชอไ่อบนี่อ้อบฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าง่่าฮ่คร่่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่านาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าา่่า ล้อเลื่อนนี้ผมอธิบายข้างหลังสงเลกมาให้นะก็คือเป็นยานนะครับยานผ่าหน้านะที่ประกอบด้วยล้อทุกอย่างมีรถและเกวียนเป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นข้าวุ้นพันนะพวกรถพวกเกวียนนี่ครับแจกกันไม่ได้นะมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายานที่เขาเอาล้อออกไปแล้วควรแจกกันได้นะครับตอนที่มีล้อเป็นข้าวุ้นพั์นะพอถ อ, อดล้อออกไปมันแจกกันได้นะครับ แตกกันอือครับแต่คงจะยากนะมันคงไม่ได้มีเยอะขนาดจะว่าแจากกันได้นคนับโยมถวายรอนนี้ไม่เคยมีครับม า, า จ, จะเก่าอะไรที่นั้นนะมันก็จะเป็นรถเก่าเข้าอะไรเอาอะไรมาถวายนะครับแต่ล้อไม่มีแนละ้วอือทุกอย่างก็เป็นขลุ่ยพันทั้งนั้นนะ เท้าเตียงแม่แค่เตียงเท้าต่างแม่แค่ต่างดาบมีดและสว่านเป็นต้นในของเหล่านี้นะครับดาบมีดและด้าบสว่านนะออย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถากค้างไว้ยังไม่ทําเสร็จนี่ไนงะถ้าถากค้างยังไม่ทําเสร็จแจกกันได้นะครับแต่ที่ถากเกขึ้งกาวแล้วเป็นครุขระทำไปเหมือนกั น, กนพั้งเท้าแล้วก็ด้าบ น, นะ อันหนึ่งของเช่นนี้คือด้ามมีดที่ทงอนุญาตนะครับด้ามม okay. <the> ีดท oui, mm. okay. ี่ทงอนุญาตเป็นยังไงท่านบอกว่าสามารถใส่ฝักล็กสาวไว้ได้นะครับจำได้สามารถใส่ฝักเก็บร็อกสาวไว้ได้ยังไงนี่คือด้ามมีดที่ทรงอนุญาตครับด้างและกรดนะครับเดีมเขียนว่าล่มนะด้างและกรดน่ะล่มนะครับยังล่มนะและกรด ครับไม้เท้ารองเท้าไม้สีไฟกระบอกกรองนะครับไม่แจกก็ได้หมดนะกระติกน้ําทรงมาขามป้อมหม้อน้ํำทรงมาขามป้อมก็อยู่ทรงกลมๆพอแล้วก็มีจบกอะไรอย่างนี้นะกระติกน้ํำลุมน้ําเต้าหม้อน้ําหนังหม้อน้ําทรงน้ําเต้ากระติกน้ําทําด้วยเขา จุน้ําไม่เกินบาทหนึ่งทุกอย่างแจกกันได้นะครเขาว่าจุน้ําไม่เกินบาทหนึ่งนะเอาตั้งแต่อการติน้ํำสมาขามป้องไปนะตั้งแต่นั่นไปเลยครับแต่จุน้ําไม่เกินบาทหนึ่งทุกอย่างนี้แจกกันได้นะครั บ, บอื อ, อกระบอกใช่ใหญ่กว่านั้นเป็นครุขระแจ ก, กไม่ได้นะครับ<ม>เคยเจอแบบถุงหนังไหมไอ้ที่เขาว่าใส่น้นะําะ คเคยเขามีขายนะเมื่อก่อนนะเป็นถุงหนังแล้วก็มาใสาน่นะมันจะมีหูว่าเป็นยางพลาสติกนะแล้วก็เป็นหนังใส่น้ําได้ยเยอะเหมือนกันนะครับหนูของพวกแพงเอ่นะแต่เขามาขายในมือไทยนี่นะเอาตัวนี้เป็นเกลนะครับจุน้ำไม่เกินบาทหนึ่งมันเกินยี่สิบสองบาทมือครึ่งใช่ไหมอันนี้แจกกันได้นะครับถ้าเยอะกว่า น, นี้ก็เป็นครูพันแล้วงาช้างนะครับ หรือเขาชิ้นใดชิ้นหนึ่งยังไม่ได้เกา่านะคงอยู่อย่างเดิมแจกก็หน้าหายากนะสมัยนี้ในคท้าเตียงเป็นต้นนะครับที่ทําด้วยงานช้างและเขาเหล่านั้นมีวินิจฉัยเช่นกลับที่มีมาและในหุ่นหลังนหละก็คือถ้าฐ า, านค้างไว้ยังไม่เสร็จใช่ไหมก็แจกได้ที่ฐานที่ยงเก่าแล้วก็เป็นคู่พันนะครับของเช่นนี้คือกางสายหินคู่ กลัใสายยาตามันก็นุ่ามสอง ม, มนันอย่างมันไม่ค่เห็นใช่ไมนะครับาอกว่าอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็แล้วกันคนเป็นกลัดเป็นตลาดอะไรทุกอย่างเอาไว้ใส่คู่นะครับใส่ ย, ยาตานะครับอ่าแม้ถาเกเราเสร็จแล้วนะครับนี่นะลูปดุมลังดุมท่านยาตาด้ามยาตาไม้กวาดสำหรับกวาด น, นะครับทุกอย่างแจกกันได้เท่งนั้นนะครับ อันนี้แจกได้หมนเลยไม้กวาดน่ะใช้กวาดนะเป็นยังไงไม้กวาดใช้กวาดน้ำเนี่ยไอที่ก้างค้างใชครับยังไม่ได้ไปทําไปไม้กวาดแค่มามาหมันใช่ไหมอันนั้นที่เขามากวาดน้ํานะครับอันนี้บว่าทุกอย่างแจกแค่นั้นทนั้นนะครับมินิจฉัยในของที่ทําด้วยดินเนี่ยอธิว่ามจีนเป็นไม้ทําด้วยไม้ไม้ก็สงข้อพวกหนังนะครับ ไม้ไม้ไผ่หนังสีลางาสันนะต่อไปจะเป็นเกี่ยวดินนะครับของที่ทําด้วยดินพึงสร้าบดังนี้เครื่องมกอพ่อและบริพ่อของมนุษย์ทั้งปวงคือภาชนะดินมีหม้อฟาและมีเต็นต้นอันนี้ก็จะฟาและมีไหครับฟ้ามีคืออครับฟ้ามีคือฟาติดหม้ออ๋อฟาติดหม้อดินใช่ไหมครับ เขาจาฟังมินอย่างนี้เข้ามั้ยตัวกาใบอรได้คนที่ไหนอืมครับต้อคนโบราครับัหลัก็จะมีบ้านสหรับยาออครับตัวไปกระถางสำหรับระบมบาดนะครับเชิงกลานปร่องควันครับโคมีด้านเนี่ยทำด้วดินนะเนี่ยโคมตั้งอินสำหรับกอนะครับเนี่ยอินก็ไม่ได้นะถ้ารูปผ่านหมุนทางนี้ กระเบื้องสนับมุงกระเบื้องหลบกรเบื้องหลบเป็นยังไงครับกเบื้อหลบคือันอยู่ข้างบนอันที่อยู่ข้างบนคาที่มันลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมไม่หลบไม่กเบื้องหลบนะครับทั้งหมดเป็นคลุพันนะครับแจงไม่ได้ในบันดาลขลุพันที่มีลักษณะดังกล่าวและแล้วเหล่านี้เมื่อพิสูจ์จะถือเอาสิ่งของชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีไม้ไผ่เป็นต้นเพื่อตนเอง นะเป็นครูพันแจกไม่ได้นะแต่เราจะถือมาเพื่อนตนให้ทำในไงนะครับ mm. ถ้าบอกว่าต้องถือเอาเป็นของผาติกรรมเนี่ยผาติกรรมวัน อ, อยู่เรียนนะคลุพันเนี่ยโดยให้มีค่าเท่ากันหรือมากกว่าเนี่ยของสงเราต้องถือหนักไว้นะราคาต้องได้ไปเห็นนะครับหรือว่ามากกว่าจะมาโกงกําไรสงไม่ได้นะโทษหนักนี้ครับ mm. จะเป็นพลาดหรือว่าโยอมก็แล้วแต่นะ จะมาคองกําอะไรก็สงเอ้ยโทษน่ะนะครับของสงของหนังนะทนําเะีรก็แล้วแต่จะไม่ให้สงขาดทุนนะครับอย่างนี้ไม่ว่าเป็นโทษนะก็ในของที่ทำด้วยดินนะครับของเช่นนี้คือหม้อบาภาชนะนะทำํำดินนะครับหม้อดินบานดินภาชนะครับคนโถปากกว้างคนโถสามันขนาดใหญ่นะครับ แต่เออนะไม่พอจะจุน้ําได้บาทหนึ่งนะครับให้ผมไปแก้ว่าเกินกว่าจุน้ําได้บาทหนึ่งแล้วมาต่างกก่อนทะเลกันนะครับขนาดใหญ่แต่ไม่พอจะจุน้ําได้บาทหนึ่งครับเป็นของที่แจกกันได้ครับทําไมแก้ว่าขนาดใหญ่นะครับอ๋อไม่เกินกว่านะครับเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วครับ ไม่พอก็เหมือนกันคุณแม่เหมือนกันครับใหญ่นะแต่ว่าไม่พอที่จะจุอ๋อไม่ใช่ไม่พอนะครับจุน้ํำในบาตรหนึ่งมาแจกกันหน้าใช่ไหมนะครับให้เปลี่ยนเป็นแต่ไม่เกินกว่าจุน้ํำในบาตรหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้นะที่แก้ถูกแล้วนะครับก็จุน้ํำในบาตรหนึ่งพอดีหรือว่าน้อยกว่าหน้าแต่ทาเงเยอะกว่านะเป็นคณุพันธ์แล้วเป็นของที่แจกกันหน้า อันหนึ่งแม่ในของโลหะนะครับพึงสร้างไม่ใช่เหมือนในของทองด้วยดิ น, นครับเหมือนคอนโทรเนี่ยนะสื่น้ําไม่เกินบาหนึ่งแจกกันได้นะครับคนโทรน้ําจัดเข้ากับส่วนที่แจกกันได้แจกกันนั้นเองดังนั้นนะสิ่งของลาที่แจกกันได้สละกันได้เมื่อพิสูจน์ติเตียนอันนี้จบแล้วครับในทะลุพันนะทุกอย นี้จะมาพูดถึงการแจกแล้วนะครับเอาว่าของที่ไม่ใช่คลุพันที่สา ม, มารถแจกกันได้แบ่งกันได้นะครับเมื่อพิสูจติเตียนเพราการให้สิ่งของนั้นหรือบริการอื่นที่สา ม, มารถแจกกันได้สนากกันได้ต้องอาบัติทุ ก, กบทนะครับอันนี้ใช่ไหมแล้วถ้าให้จีวอลเก็บผ้าจ้าหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็ติเตียนภายหลังนี้ต้องบัตอะไระครับ ต้องอะไรบ้างนต้องแบบไปตีไปจีตีนะครับพร้อมทีละสงนะก็ให้จีวรกับพระจ้าเจที่แล้วติดเตรียมภายหลังต้องแบบไปจี ต, ต, ต, ตีแต่ว่าถ้าไม่ใช่จีวรรเป็นบริการอย่างอื่นนะที่มันก็แจกกันได้ใช่ไหมครับมันติดเตรียมภายหลังต้องแบบทุกคนส่วนข้ารูปภัธุ์ไม่ควรให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งพิสู่นแจกเพราะตนเป็นใหญ่ถ้าแจกถือเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ่นะอ้าวผมเป็นอาจารย์ว่าทําไมผมจะแจกไม่ไ <c oughs> เป็นใหญ่สุดแล้วนะครับก็เลยเนี่ยแจกมาเลยแจกอะไรดีเหรอครับแจกอะไรดีนะแจก ไ, นะไม้ไมไวนะกวาดคนละหน้าของไม่เคยมีค่านะครับอะไรแต่ว่าที่เป็นคลุ่ยพันที่แจกไม่ได้นคำกรีนะแจกโคมไฟอะไรคนละอันคนละอันเขาพูดถึงเรื่องโลหะนะที่เป็นโลหะไม่ได้นะ ครับครับอันนั้นต้องบัตรถุงนจายนหนักเลยนะเมื่อถือเอานะครับด้วยจิตคิดจะขโมยต้องบัตรตามจูนราคาขอตีราคาปรับอาบัตได้เลยนะมันได้ขนาดไหนนะครับพิสูจตีเตียนการให้จีวรหรือบริการอื่นแก่พิสุจที่ไม่ได้รับสมมุติให้เป็นเจ้าหน้าที่ต้องบัตรุกนะครับ แต่ว่าก็ทําหน้าที่ช่วยเหลือก็สมใช่ไหมแม่เราสมมุติหรอกนะครับปฏิเจียนนี้ต้องถูกกดเหมือนกับการต้องอาบัตทุกกฎเพราะการปิิเจียนเพราะให้บริการอื่นฉะนะติดเตียนการให้สิ่งของแก่หนุนประสัมบัณฑ์เป็นปีกการถูกกด น, นะครับก็สมณเณรนะเป็นเจ้าหน้าที่ได้นะครับมันช่วยเหลื อ, าองานสงแต่ก่อนท่านเป็นฆ่าแหละสงก็สมมติท่านเรียบร้อยแล้วนะทีหลังต้องศึกเป็นเณรที่นี่รับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่หายนะท่านก็เลยทํางานต่อเนี่ยให้ของท่านแล้วก็ติดเตรียงภายหลังก็เป็นอาบัติทุกทกรณีนะครับเข้าใจขนสายทำผิดนะก็เป็นตกรำ น, นั้น <c oughs> ต่อไปอาณาบัต น, นะครับแต่ไม่เป็นอาณาบันแก่พิสูจเห็นพิสูจที่เป็นเจ้าหน้าที่ทําการด้วยความชอบพอฉันทานะครับนำเป็นต้นโดยปกตินะว่านะครับอย่างเช่นอะไร เป็นเจ้าหน้าที่อะไรนะแจกเซนาสนะนี้นะครับก็ให้แต่อะไรนะทั้งพวกตัวเอง ม, คมีคนที่ตัวเองชอบนะครับอยู่มิติที่ดีๆนะไม่เลื อ, อ, อดเที่ยงมัชชิมะนวากาไม่สนคอ่เราชอบใจใช่ไหมก็มเลือกมุติที่ดีๆให้อยู่ถ้ารูปไหนที่เราไม่ชอบใจเนะี่ยก็ไปอยู่มุติที่ไม่ค่อยดีนะครับมุตินักเก่างๆอะไรอย่างนี้นะในเงี้ยถือว่าเราเอียงไม่ได้ครับถือว่าเจ้าหน้าที่เป็นอย่างนี้นะ่ะเราก็ว่าได้ใช่ไหม ครับหรือว่าแจกจินนในมลอย่างเงี้ยนะมันเรารู้ว่างานนี้ใช่ไหมจเจ้าพระก็จะถวายโควนายเยอะใช่ไหมครับทั้งที่ยังไม่ถึงลําดับนะเราก็รีดแจกเพื่อนเราก่อนนะเพราะว่าสกียเติได้เยอะๆใช่ไหมครับแจกเพื่อนเราไปอย่างเี้ยนะเราเอียงนะครับไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็ตีเตียงกันได้นะครับตีเตียงอยู่ว่า จะมีประ่ยว์อะไรด้วยจีวรที่ให้แล้วแก่พิสุนะแม้เธอได้ไปแล้วก็จะทิ้งเสียจังไม่ใช้สอนโดยชอบทำนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะจหน้าที่นะครับํำเอียงนะแลกวพิสุบ้าเป็นต้นไม่ต้องอาบาัตองค์อาบัตสิขาบันี้มีองสีคือนะครับหนึ่งผู้ที่ตนติเตียนนั้นเป็นอุปสรรบัตเป็นพรนะครับสองได้ละ ก, การสมมุติโดยชอบทำ สามตนพร้อมเพียงกับทรงให้จีวอรอันจะพอพิกลได้นะครับสี่ต้องการจะติเตียนแล้วปตีเตียนในภายหลังเมื่อพอบองคศีนี้ก็ต้องแบบไปอยู่ตีในสิกขาบทนี้นะครับสมมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับวิทยานาทานสิกขาบทแตงแต่สิกขาบทนี้เป็นทุ ก, เว ท, เ, ททกเวทนาเท่านั้นแหะมันโศสะไม่พอใจใช่ไหมครับจบ ก, การอธิบายคุปพรากสิกขาบท น, นะครับโอ้สมัยเยนี้